วันนี้จะพูดเรื่องความอยากความอยากนี้มีสองประเภทหรือสองชนิดประเภทที่เป็นโทษคือทำให้เกิดความทุกข์ใจนี่เป็นประเภทหนึ่งอีกประเภทหนึ่งเป็นคุณทำให้เกิดความสุขใจ ความอยากที่เป็นโทษที่ทำให้เป็นความทุกข์ใจนี้พระพุทธเจ้าเรียกว่าสมุ ท, ทยัยเป็นต้นเหตุของความทุกข์ทรงแสดงไว้สามประการด้วยกันคือหนึ่งความอยากในกา ร, รมคุณทั้งห้าคือความอยากในรูปเสียง กลิ่นรสผดทัพพะเรียกว่ากามตัณหากามแปลว่ากามตัณหาแปลว่าความอยากความอยากในกามนี่เมื่อเกิดความอยากขึ้นมาแล้วจะทำให้เกิดความทุกใจตามมาต่อไปความอยากแค่นิดที่สองที่เป็นโทษ ก็คือความอยากมีอยากเป็นเรียกว่าภาวะตัณหาคืออยากให้เจริญรุ่งเรืองในลาบยศสรรเสริญในความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอันนี้เรียกว่าภาวะตัณหาและ ประเภทที่สามอาการที่สามคือความอยากไม่ให้มีไม่ให้เป็นเรียกว่าวิภาวะตันหาคือความอยากไม่ให้เสื่อมในลาบยศสรรเสริญในความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่นี่คือความอยากที่เป็นโทษ ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ละให้ตัดให้ปล่อยให้วางให้ได้พาอจะทำให้ใจหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ส่วนความสุขส่วนความอยากที่ทำให้เกิดความสุขใจนี้คืออะไรก็คือความอยากทำบุญให้ทาน ความอยากรักษาสิงความอยากภาวนาเป็นต้นความอยากเหล่านี้เป็นคุณเป็นประโยชน์กับจิตใจเพราะจะนำไปสู่ความสงบไปสู่ความสุขใจนั่นเองดังนั้นผู้ปฏิบัติจึงต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่า ไม่ใช่ว่าความอยากทุกชนิดนี่เป็นกิเลสตัณหาเป็นสมุ ท, ทยัยเป็นต้นเหตุของความทุกข์ทั้งหมดความอยากที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ก็มีอยู่สามเท่านั้นเองที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ส่วนความอยากชนิดอื่นนี่ไม่ได้เป็น ต้นเหตุของความทุกข์ไม่ได้เป็นสมุทยัยแต่เป็นมรรคคือเป็นเหตุที่จะทําให้ความทุกข์ใจหายไปเป็นเหตุที่จะทําให้ความสุขใจปรากฏขึ้นมาเพราะว่ามีผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติบางท่านไม่เข้าใจคิดว่าความอยากทั้ง ที่เป็นคุณเป็นประโยชน์นั้นเป็นความอยากที่ต้องละเช่นอยากจะทำบุญให้ทานอยากจะละอยากจะสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเพื่อจะได้ไปบวชอยากจะบวชอยากจะปลีกไม่เวกอยากจะอยู่คนเดียวไม่อยากจะยุ่งกับใครอยากจะหาความสงบ โดยการบําเพ็ญสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาความอยากเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆความอยากเหล่านี้ไม่ได้เป็นสมุทยัยไม่ได้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจแต่เป็นต้นเหตุของการดับความทุกข์ใจและเป็นต้นเหตุของการ ของความสุขใจดังนั้นผู้ที่มีความอยากที่จะทำบุญทําทานอยากจะไปปีกวิเวกอยากจะรักษาศีลแปดอยากจะบวชอยากเป็นพระอยากเป็นแม่ชีอยากจะบาเพ็ญสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนา อันนี้ไม่ได้เป็นสมุทยัยไม่ได้เป็นตัญหากิเลสแต่เป็นมรรคเครื่องดับความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจจึงขอให้ทาความเข้าใจไว้ว่าความอยากที่ต้องละนี้มีอยู่3ชนิดเท่านั้นคือการมะตันหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรส เค่อยากจะหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยากดูภาพยนตร์ละครมหรสพ์บันเทิงต่างๆอยากจะไปงานเลี้ยงอยากจะไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆอยากจะร่วมหลับนอนกับคนนั้นกับคนนี้ความอยากเหล่านี้ เป็นโทษถึงแม้ว่าจะให้ความสุขแต่ก็เป็นความสุขแบบควันไฟเป็นความสุขประเดิวประดาวแล้วทำให้เกิดความอยากใหม่ขึ้นมาอีกแล้วถ้าไม่สามารถทำตามความอยากได้ความทุกข์ก็จะตามมานี่สาเหตุที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราละ ความอยากเหล่านี้เพราะว่าอยากเท่าไหร่ก็ไม่มีวันอิ่มไม่วันพอได้มาเท่าไหร่มากน้อยเพียงไรก็ไม่ได้ทําให้ความอยากนั้นหายไปหมดไปแต่กลับให้ทําให้มีความอยากเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆและเวลาที่ไม่สามารถทําตามความอยากได้หรือสูญเสียสิ่งที่ได้มาด้วยความอยากด้วย ด้วยความรักด้วยความชอบเวลาสูญเสียสิ่งที่รักสิ่งที่ชอบไปก็จะเกิดความทุกข์ตามมาเวลาที่อยากจะได้สิ่งที่รักที่ชอบแต่ไม่ได้ก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมานี่คือความอยากที่เป็นโทษความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสเรียกว่ากามคุณทั้งห้ากามคุณก็คือ รูปเสียงกลิ่นรสผลทพะนี่เองแล้วก็ความอยากมีอยากเป็นก็คืออยากให้เจริญในลาบยศสรรเสริญในความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอันนี้ก็จะเป็นทุกข์ได้เวลาที่ไม่เจริญเวลาที่เกิดความเสื่อมขึ้นมา เพราะว่าธรรมชาติของสิ่งต่างๆเช่นลาบยศสรรเสริญสุขนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นของเดินได้เปลี่ยนได้ขึ้นได้ลงได้เนี่ยเวลาขึ้นก็ไม่เป็นปัญหาอะไรแต่เวลาลงก็ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาถ้ามีความอยากออให้เจริญแต่ไม่เจริญ ก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเช่นอยากจะได้ตำแหน่งสูงขึ้นแต่ก็ไม่ได้สักทีติดอยู่ที่เดิมความจริงอยู่ที่เดิมมันก็ไม่เดือดร้อนอะไรแต่พออยากจะเลื่อนขั้นขึ้นไปพอไม่ได้เลื่อนขั้นขึ้นไปก็เกิดความเดือดร้อนขึ้นมาเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาทันที นี่คือเรียกว่าภาวะตัณหาอยากให้ราบยศสารเสริญสุขนี้เจริญอย่างเดียวไม่อยากให้ยืนอยู่กับที่ไม่อยากให้เสื่อมลงไปก็นำมาสู่ความอยากชนิดที่สามที่เรียกว่าวิภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาก็คือความอยาก ไม่ให้ลาบยศสรรเสริญสุขนิเสิร์มลงไปนั่นเองอยากจะให้อยู่กับเราไปเรื่อยๆเป็นของเราไปเรื่อยแต่มันไม่ได้เป็นไปตามที่เราต้องการเสมอไปเวลามันจากเราไปนี้ใจแทบจะตายไปกับมันเลยบางคนถึงกับอยู่ต่อไปไม่ได้เวลาสูญเสียลาบยศสรรเสริญ ส, สุไป อยากจะตายบางคนก็ถึงกับฆ่าตัวตายเพราะว่าไปยึดติดกับสิ่งเหล่านี้ให้ความสุขกับตนพอไม่มีสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้รู้สึกว่าไม่มีความสุขก็จะไม่อยากมีชีวิตอยู่อยู่แบบไม่มีความสุขนี้ไม่อยากจะอยู่หรือความอยาก ไม่ให้ร่างกายนี้แก่เจ็บตายอันนี้ก็เช่นเดียวกันทําเวลาร่างกายแก่นี่เดือดร้อนกันทุกคนเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเดือดร้อนกันทุกคนเวลาร่างกายตายเดือดร้อนกันไปทุกคนทั้งๆที่ร่างกายเองมันไม่เดือดร้อนเลยร่างกายนี้มันจะแก่มันจะเหี่ยว หนังจะหย่อนผมจะหงอกหลังจะค่อมมันไม่เดือดร้อนผู้ที่เดือดร้อนคือผู้ที่มีความอยากไม่ให้ร่างกายมันแก่นั่นเองก็คือใจที่มีตัณหาความอยากเรียกว่าวิภาวะตัณหาอยากไม่ให้แก่อยากไม่ให้เจ็บอยากไม่ให้ตายภาวะตัณหาก็คือ อยากให้เป็นหนุ่มเป็นสาวไปเรื่อยๆอยากให้สวยให้งามให้หน้าดูไปเรื่อยๆแต่ธรรมชาติของร่างกายมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอนท้าวรคงทนมันต้องมีการเสื่อมลงไปแล้วก็ต้องมีการตายไปนี่คือ ความอยากสามชนิดที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราละกันส่วนความอยากทำบุญอยากรักษาศีลอยากบวชอยากภาวนาอยากเดินจงกรมนั่งสมาธิอยากปีกวิเวกอยากอยู่คนเดียวไม่อยากจะคุกคลีกับใครไม่อยากจะสังคมกับใครอันนี้เป็นความอยากที่ดี เพราะจะนำไปสู่ความดับทุกข์ทั้งหลายนำไปสู่ความสงบนำไปสู่ความสุขที่แท้จริงที่ถาวรอันนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เจริญให้มากไม่ใช่ให้ละแต่ให้เจริญให้มากความอยากแบบนี้เป็นความอยากที่ดีอยากแล้วจะนำความสุขมาให้ งนั้นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติก็มีอยู่สองประการนี้เองคือหมันลดละความอยากที่เป็นโทษแล้วก็หมันเจริญความอยากที่เป็นขุนหมันละกามตันหาภาวะตันหาและวิภาวะตันหาด้วยการเจริญความอยากใน การทำบุญทาทานในการรักษาศีลในการภาวนานี่เรียกว่ามักแต่เริน ม, มักให้ละตัณหาให้จเจริญ ม, มักเพราะเมื่อมีมักแล้วตัณหาก็จะหมดไปถ้าไม่มีมักตันหาก็จะมีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆจึงต้องมาจเจริญ ม, มักกันจเจริญการทาบุญให้ทาน เช่นมีเงินมากเกินไปแล้วจะเอาเงินไปซื้อไปทำตามความอยากทางตาหูจมูกนิ้นกายก็เอาเงินนี้มาทำบุญดีกว่าเพราะการทำบุญให้ทานด้วยเงินก้อนนี้จะทำให้ใจสงบมีความสุขมีความเย็นใจมีความอิ่มใจถ้าเอาเงินนี้ ไปทำตามความอยากตามความอยากในกามในรูปเสียงกิน่นรสผลตภะไปเที่ยวไปดื่มไปรับประทานไปดูไปฟังพอมันเงินหมดแล้วความสุขที่ได้ก็หายไปแล้วพอเกิดความอยากใหม่ขึ้นมาถ้าไม่มีเงินก็จะเกิดความทุกข์ใจ เพราะความอยากไม่ได้รับการตอบสนองแต่การทำบุญนี้เวลาไม่มีเงินทำบุญก็ไม่เดือดร้อนไม่มีเงินทำก็ไม่เป็นปัญหาอะไรอยู่เฉยๆได้แต่เวลามีความอยากจะใช้เงินซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายพอไม่มีเงินซื้อก็จะเดือดร้อนขึ้นมาทันทีจะทุกข์ขึ้นมาทันที นี่คือความแตกต่างระหว่างความอยากสองแบบความอยากที่จะนำไปสู่ความทุกข์และความอยากที่จะนำไปสู่ความสุขับพระพุทธเจ้าให้ละกามตันหาภาวตันหาวิภาวะตันหาแล้วก็ให้เจริญมรรคเจริญความอยากที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ให้อยากทำบุญให้มากๆให้อยากรักษาศีลให้มากๆา ให้อยากภาวนาให้มากๆแล้วจะนำไปสู่การทำบุญนำไปสู่การรักษาศีล น, นำไปสู่การภาวนาที่จะทำให้ใจสงบที่จะทำให้ใจเกิดความสุขขึ้นมานี่คือเรื่องของความอยากความอยากที่เป็นโทษนี้ต้องละด้วยปัญญาต้องทำลายด้วยปัญญา ปัญญาที่พุทธเจ้าได้ทรงคนพบก็คือให้พิจารณารูปเสียงกลิ่นรสผลทพะอยู่เรื่อยๆว่ามันไม่เที่ยงมันมีเจริญแล้วมันมีเสื่อมมันไม่ใช่เป็นของเราเราไม่สามารถเก็บมันไว้ได้ควบคุมมันไว้ได้ไม่ช้าก็เร็ววันใดวันหนึ่งมันก็ต้องจากเราไปหรือไม่เช่นนั้นเราก็ต้องจากมันไป มันไม่ใช่เป็นของเราเป็นอนัตตาเป็นอนิจจังถ้าไปอยากให้มันเป็นนิจจังเป็นอัตตามันก็จะทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าไปอยากให้มันเป็นของเราอยากจะเสพมันอยากจะได้มันอันนี้ก็คือกา ม, มาตัณหานี่เองที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ ถ้าพิจารณาอยู่เรื่อยๆว่ามันเป็นทุกข์เนี่ยเพราะว่ามันไม่เที่ยงเพราะว่ามันไม่ได้อยู่กับเราเป็นของเราไปตลอดเวลามันจากเราไปมันก็จะนำความทุกข์อย่างแสนสาหัสมาให้กับเราถึงกับอยากจะฆ่าตัวตายอันนี้ต้องพิจารณาอยู่เรื่อยๆแต่การที่จะละความอยากแบบนี้ได้ เราต้องมีความสุขใจขึ้นมาก่อนต้องมีสิ่งที่มาทดแทนความสุขที่เราได้จากการไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเราจึงต้องมาสร้างสมาธิสร้างความสงบของใจให้เกิดขึ้นก่อนพอใจสงบแล้วเราจะได้ความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราได้รับจาก การเสบรูปเสียงกลิ่นลดผธทพะพอเรามีความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วทีนี้เราจะสามารถเลิกเสบรูปเสียงกลิ่นลดผลทพะได้มีสามีมีภรรยาก็ยกให้คนอื่นไปได้ใครอยากได้สามีอยากได้ภรรยายกให้เขาไปได้เลยจะไม่รู้สึกเสียดายเลยจะรู้สึกเบา อ, อกเบาใจ จะได้ไม่ต้องมีภาระต่อกันอีกต่อไปจะได้ไปบวชได้คนที่มีสามีมีภรรยาที่มีความสงบทางใจแล้วจะไม่อยากจะร่วมหลับนอนกับสามีกับภรรยาของตนเพราะมันสู้ความสุขที่ได้จากการทำใจให้สงบไม่ได้แล้วพอมีใครเขาอยากจะได้สามีได้ภรรยาของตนนี้ แทนที่จะเสียดายกับดีใจเอาไปเลยจะได้ไม่ต้องม า, าทำหน้าที่ของสามีของภรรยาจะได้ไปหาความสุขที่เกิดจากความสงบได้อย่างเต็มที่แล้วก็ไม่ต้องมาเสียใจเวลาที่ภรรยาหรือสามีตายจากเราไป นี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการทำใจให้สงบประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการบําเพ็ญสมถภาวน า, าคือการทำใจให้เป็นสมาธินี่เองถ้าเราทำใจให้สงบได้แล้วเราจะสามารถตัดตัณหาทั้งสามได้ตัดกามตัณหาได้ก็ตัดภวะตัณหาได้ ตัดวิภวะตัณหาได้ได้อย่างสบายเพราะว่าเราไม่ต้องอาศัยความสุขจากกามตัณหาภวะตัณหาและวิภาวะตัณหาแล้วนั่นเองเรามีความสุขที่ดีกว่าและความสุขที่ได้จากกามตัณหาภวะตัณหาและวิภวะตัณหาก็เป็นความสุขชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไป หมดไปก็ต้องหาใหม่แล้วพอหาไม่ได้ก็จะเสียใจหรือสูญเสียสิ่งที่หามาได้แล้วก็จะทุกข์ใจนี่คือการละตัณหาที่เป็นโทษที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจก่อนจะละได้ด้วยปัญญาต้องมีความสงบสุขทางใจก่อน ถ้ายังไม่มีความสงบสุขทางใจนี้ต่อให้ปัญญาพร่ำสอนอย่างไรบอกอย่างไรก็จะไม่ฟังอถ้าบอกว่าอย่าไปมีแฟนอย่าไปมีสามีอย่าไปมีภรรยาอยู่คนเดียวดีกว่าสบายกว่าเยอะแยะแต่ก็อยู่ไม่ได้เพราะไม่มีความสุขต้องไปหาความสุขจากภรรยาและสามี แต่พอได้สามีได้ภรรยามาแล้วมันไม่ได้ความสุขเพียงอย่างเดียวมันได้ความทุกข์แถมมาด้วยได้ความห่วงใหญ่ได้ความหึงหวงและได้ความเสียใจเวลาที่เขาจากเราไปและในขณะที่อยู่ร่วมกันก็บางครั้งก็อาจจะมีการทะเลาะวิวาทกันได้ความสุขใจที่ได้จาก สามีจากภรรยาก็กลายเป็นความทุกข์ใจขึ้นมานี่เป็นเพราะว่าไม่มีความสุขใจในตัวเองถ้ามีความสุขในตัวเองแล้วจะสู้กับความอยากที่จะไปมีสามีไปมีภรรยาได้คนที่เขาอยู่คนเดียวได้นี่แสดงว่าเขามีความสุขในตัวของเขาเอง พอที่จะทำให้เขาไม่ต้องไปมีสามีไม่ต้องไปมีภรรยาไม่ต้องไปมีแฟนแต่คนที่ยังต้องมีสามียังมีภรรยานี้รับรองได้ว่าเป็นคนที่ยังไม่มีความสุขในตัวเองไม่มีความสุขใจยังไม่ได้ทำทุนทำบุญทาทานยังไม่ได้รักษาศีลยังไม่ได้ภาวนา ถ้าอยากจะมีความสุขใจไม่ต้องไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆเช่นสามีจะหรือภรรยาก็ต้องพยายามทำใจให้สงบให้ได้การจะทำใจให้สงบก็ต้องทำบุญทาทานเพื่อจะได้มีศีลเพื่อจะได้ไปภาวนาได้ถ้ายัางไม่มีศีลนี้ก็ภาวนายากการจะมีศีลได้ก็ต้องมี ใจบุญสุนทานจะต้องทำทานให้เกิดใจที่อิ่มเอิบพอใจกับการทำประโยชน์สุขให้แก่ผู้อื่นไม่คิดแต่จะเอาประโยชน์สุขใส่ตนเองเพียง อ, อย่างเดียวถ้ามัวแต่จะหาประโยชน์สุขใส่ตนเองเพียง อ, อย่างเดียวก็ต้องไปหาสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับตนแต่ถ้า สามารถเสียสละความสุขของตนให้แก่ผู้อื่นได้เช่นเสียเงินเสียทองช่วยเหลือคนอื่นให้คนอื่นเขามีความสุขอันนี้ก็จะทําให้เกิดความสุขใจขึ้นมาในระดับหนึ่งที่จะทําให้สามารถรักษาศีลได้ไม่ทําบาปได้เมื่อรักษาศีลได้ไม่ทําบาปได้ก็จะสามารถอรักษา ศีลของนักบวชของผู้ปฏิบัติทําได้ก็คือศีลแปดตอนต้นก็รักษาศีลห้าก่อนโดยอาศัยการทําบุญให้ทานเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความเมตตาการณาขึ้นมาเมื่อมีความกรรณาเมตตาก็จะไม่อยากจะทําบาปคนที่ชอบทําบุญจะไม่ชอบทําบาปก็จะรักษาศีลห้าได้ พรักษาศีลห้าได้ก็จะรักษาศีลแปดได้ศีลแปดนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะจะเป็นรั้วกั้นไม่ให้ปัญหาความอยากนั้นออกไปหาความสุขทางทางทางต า, ตาหูจมูกลิ้นกายนี่เองผู้ที่ถือศีลแปดนี้เป็นผู้ที่เลิกหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่ร่วมหลับนอนกับสามีภรรยาของตน ไม่หาความสุขจากการรับประทานอาหารมากเกินความต้องการของร่างกายไม่หาความสุขจากการหลับนอนมากจนเกินไปไม่หาความสุขจากการเสบรูปเสียงกลิ่นรสผลพพะไม่หาความสุขจากการเสริมความงามของร่างกายความสุขเหล่านี้มันเป็นความสุขประเดียวประดาวเป็นความสุขที่ต้องคอยเติมอยู่เรื่อยๆ ถ้าเวลาใดไม่สามารถเติมให้กับมันได้เวลานั้นก็จะกลายเป็นความทุกข์ไปจึงต้องตัดความสุขเหล่านี้เพื่อที่จะได้มีเวลามาทำใจให้สงบมาสร้างความสุขทางใจถ้าไม่ทำกิจกรรมเหล่านี้ก็จะมีเวลามาเดินจงกรมนั่งสมาธิมาเจริญสติจเจริญสติเพื่อทำใจให้สงบ ถ้าไม่มีสติใจจะไม่มีวันสงบได้สตินี้เป็นสิ่งที่เราต้องสร้างกันขึ้นมาตอนนี้พวกเราที่ยังไม่มีสมาธินี้แสดงว่าไม่มีสติหรือมีก็น้อยมากสตินี้มีหลายระดับเรามีสติในระดับที่จะอยู่เป็นมนุษย์ได้คือรักษาสีลห้าได้ถึงแม้ว่าอาจจะขาดบ้างบางครัง้งบางคราวแต่ก็ไม่ถึงกับ ระดับของเดลฉานถ้าไปฆ่าเขาแล้วนั่นแหะถึงจะเรียกว่าระดับสตินี้เลื่อนลงไปอยู่ในระดับของเดลฉานแต่ถ้ายังไม่ฆ่าไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดไม่เสพสุรายาเมานี่ก็จะสามารถรักษาสติในระดับของมนุษย์ไว้ได้สติของผู้ที่จะทําใจให้สงบนี้ต้องมีมากกว่านี้ ต้องมีมากกว่าระดับของมนุษย์ต้องมีสติที่จะสามารถควบคุมใจไม่ให้สายไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายให้ใจเข้าสู่ข้างในให้เข้าสู่ความสงบการจะมีสติแบบนี้จะต้องเจริญอยู่ทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่ตื่นจนหลับต้องคอยควบคุมใจไม่ให้ คิดไปในทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะไม่คิดไปในการหาลาภยศสารสุขแต่ให้คิดอยู่กับเรื่องเดียวอารมณ์เดียวเช่นให้คิดอยู่กับคําบริกรรมพุทโธพุทโธไปหรือให้เฝ้าดูการกระทําของร่างกายไปเพียงอย่างเดียวขณะนี้ร่างกายการทําอะไรก็ให้เฝ้าดูอยู่ตรงนั้น กำลังนั่งฟังธรรมก็ให้นั่งฟังธรรมเพียงอย่างเดียวไม่ให้ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้กำลังทำกับข้าวก็ให้อยู่กับการทำกับข้าวกำลังขับรถก็ให้อยู่กับการขับรถกำลังเดินก็ให้อยู่กับการเดินเวลานั่งสมาธิก็ให้อยู่กับลมหายใจเข้าออกให้ดูลมหายใจเข้าออกเพียงอย่างเดียวไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ ถ้าดูลมไม่เป็นไม่ถนัดจะใช้คําบริกรรมพุโทโธแทนก็ได้ก็บริกรรมพุโทโธพุทโธไปเพียงอย่างเดียวถ้าใจอยู่กับเรื่องเดียวได้อย่างต่อเนื่องไม่นานใจก็จะลวมเข้าสู่ความสงบได้พอใจสงบก็จะเกิดความสุขใจขึ้นมาเกิดความอิ่มความพอเกิดอุบเบกขาขึ้นมาอุบเบกขาก็คือใจที่ปราศจากความรักความชังความกลัวความหลง ความโลภความอยากต่างๆอันนี้แหละคือสิ่งที่เราต้องการเพราะเราได้ความสุขอันนี้แล้วทีนี้เราก็จะทิ้งความสุขอย่างอื่นได้ความสุขที่เราเคยใช้เคยอาศัยนี้จะเป็นของไม่มีความสำคัญไปเลยเพราะความสุขมันมันต่างกันมากเหมือนฟ้ากับดินเหมือนกับได้รถเบนซ์ ถ้าขับรถกระบะอยู่วันดีคืนดีได้รับรางวัลถกรถเบนซ์เนี่ยพอได้รถเบนซ์มาแล้วนี่ไม่รู้จะเก็บรถกระบะไว้ทําไมยกให้คนอื่นไปได้เลยพี่น้องคนไหนอยากจะได้เพื่อนคนไหนไม่มีรถอยากจะได้รถกระบะเอาไปเลยเราขับรถเบนซ์ดีกว่าแต่ถ้ายังไม่ได้รถเบนซ์ น, นี่ต่อใครมาขอก็ไม่อยอามใาห้ เพราะว่ามันเป็นของชนิดชิ้นเดียวที่เรายังต้องอาศัยมันอยู่ต้องใช้มันอยู่ให้ความสุขกับเรานี่แหละคือความสุขทางใจถ้าได้ความสุขทางใจแล้วจะสามารถทิ้งความสุขทางร่างกายทางตาหูจะหลุดลิ้นกายไปได้หมดเลยไม่มีความเสียดายเลยเพราะรู้ว่ามันเป็นโทษแล้วมันเป็นความสุขที่น้อยกว่าความสุขที่เรามีอยู่ความสุขทางใจนี้มาก กว่าความสุขทางร่างกายแล้วก็ไม่มีโทษเหมือนกับความสุขทางร่างกายความสุขทางร่างกายมีโทษเวลาสูญเสียสิ่งที่รักไปถ้าเกิดรถกระบะนี่หายไปนี่โอยจะเสียใจมากแต่ถ้ามีรถเบนแล้วรถกระบะจะห า, หายหรือไม่หายก็ไม่เป็นปัญหาอะไรฉันไดพอมีความสุขทางใจแล้วจะสูญเสียลาบยศสรรเสริญ สุขไปอย่างไรก็ไม่เดือดร้อนมีก็ไม่ได้เสพมันมีก็มีอยู่กับมันไปอย่างนั้นเมื่อยังมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมันก็ยังมีการสัมผัสรับรู้กับรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์แต่ไม่ได้เสพแบบสมัยที่ไม่มีความสุขใจเช่นการรับประทานอาหารก็ไม่ได้รับประทานแบบออ่สนุกสนานอรับประทานแบบเอ มีความสุขรับประทานมันไปอย่างนั้นเพื่อให้ร่างกายมันอยู่ได้เท่านั้นเองแต่ไม่ได้ไม่มีความสุขกับโลตาหารชนิดต่างๆเหมือนกับสมัยที่ยังไม่มีความสุขทางใจถ้าไม่มีความสุขทางใจนี้เวลารับประทานอาหารแต่ละมื้อนี่ต้องหาอาหารที่ถูกปากถูกใจเพื่อจะได้มีความสุขจากการรับประทานอาหารนอกจากการให้อาหารกับร่างกายแล้ว ยังต้องให้ความสุขกับผู้รับประทานด้วยก็ต้องหาอาหารที่ถูกเปาะถูกปากถูกใจบางทีต้องขับรถไปเป็นร้อยกิโลเพื่อที่จะไปกินอาหารที่ถูกปากถูกใจเพราะอยู่อาหารที่อยู่ใกล้บ้านนี้มันเบื่อ จ, จําเจซ้ทรากกินแล้วไม่มีความสุขใจแต่คนที่มีความสุขใจแล้วไม่ต้องไปหาอาหารไกลอยู่ที่บ้านก็มีอะไรก็กินได้ ไข่ต้มจิ้มน้ำปลาผักจิ้มน้ำปลาก็กินได้อิ่มได้มีความสุขได้นี่คือสิ่งที่เราจะได้รับจากการที่เราละตันหาความอยากต่างๆทำความสุขใจให้เกิดขึ้นสร้างความอยากที่จะทำให้เกิดความสุขใจคือความอยากจะทำบุญทาทานความอยากจะรักษาศีลความอยากจะภาวนา ความอยากเหล่านี้เป็นความอยากที่ดีไม่ต้องลังเลสงสัยเกิดความอยากเหล่านี้ขึ้นมาเมื่อไหร่ทาไปเลยอยากจะทิ้งสมบัติเข้าของเงินทองทิ้งลูกภรรยาสามีไปบวชเป็นชีเป็นพระทาไปเลยไม่มีโทษมีแต่คุณมีแต่ประโยชน์ไม่ต้องกังวลกับสามีภรรยากับลูกกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทอง ใไอคิดว่าเราไปเจออุบัติเหตุลดความตายไปก็แล้วกันสมมติเราลดความตายไปวันนี้สามีภรรยาเขาจะทําไงมันก็เรื่องของเขาเขาก็ต้องทําเขาก็ต้องอยู่ของเขาต่อไปได้ไม่ต้องมากังวลไม่ต้องมาคิดว่าเรานี้ถ้าไม่มีเขาแล้วไม่มีเราแล้วเขาจะอยู่กันไม่ได้มันไม่เป็นอย่างนั้นหรอกกิเลสเท่านั้นแหละที่มันเป็นตัวหลอกเราให้คิดอย่างนี้มันไม่ให้เราคิดให้เราไปบวชกันเข้าใจยเอม มันอยากจะให้เราอยู่เพื่อจะได้เสพความอยากของกิเลสตัณหาต่อไปพอไปบวชมันก็จะไม่สามารถที่จะเสพตัณหาความอยากได้กิเลสตัณหามันก็เลยหลอกเราให้คิดว่าโอ๊ยเราไปไม่ได้หรอกเราทิ้งลูกทิ้งเมียทิ้งพ่อทิ้งแม่ไปไม่ได้หรอกแล้วเกิดเวลาลดความตายไปนี้ทิ้งได้หรือเปล่าคนที่ตายไปวันนี้โดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจจะตายนี้ เขาทิ้งได้หรือเปล่าแล้วคนที่อยู่ต่อไปเขาอยู่ต่อไปได้หรือเปล่าเขาก็อยู่ของเขาไปได้เขาก็มีทางของไปเองนี่แหละคือปัญหาของผู้ที่ติดอยู่ในโลกนี้ก็ติดอยู่กับไอ้ข้ออ้างอันนี้แหละคนส่วนใหญ่ก็มักจะอ้างกันว่าติดพ่อติดแม่ติดสามีติดภรรยาติดลูกติดงานติดการติดอะไรร้อยแปดพันประการเพราะมัน ถูกกิเลสมันมาหลอกให้คิดอย่างนี้เท่านั้นเองเราต้องอย่าไปสนใจกับมันเราต้องฟังพระพุทธเจ้าดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างพอถึงเวลาที่จะต้องไปนี้ท่านไปเลยท่านทิ้งได้หมดเลยทิ้งลูกทิ้งภรรยาทิ้งทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองทิ้งบิดามารดาทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ไปได้หมดเลยเพราะสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้ทาให้เรา ได้พบกับความสุขที่แท้จริงไม่ได้ทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้แต่การไปบวชนี่แหละที่จะทำให้เราได้ไปพบกับความสุขที่แท้จริงได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ดังนั้นถ้าเกิดมีความอยากเหล่านี้เกิดขึ้นมาทำไปเลยไม่ต้องมาถามเราไม่ต้องนั่งเลยไม่ต้องสงสัยถ้าอยากจะบวชไปเลยถ้าไปได้ ไปจริงๆไปได้ไปเลยทิ้งไปให้หมดเลยทรัพย์สมบัติเข้าวของเงินทองมีอะไรต่างๆนี้ไม่ต้องเอาไปไปแต่ตัวเปล่าๆไปกับศรัทธาไปกับความอยากที่จะไปบวชที่จะไปรักษาศีลที่จะไปบําเพ็ญไปปฏิบัติธรรมไปปีกวิเวกไปทําใจให้สงบไปฆ่าตันหาความอยากทั้งสามให้มันหมดไปจากใจเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงกระทำมา แล้วเราจะเป็นคนที่มีคุณมีประโยชน์ต่อผู้อื่นต่อไปดูคุณประโยชน์ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงกระทาให้กับต่อผู้อื่นต่อกับให้กับพ่อกับแม่ให้กับภรรยาให้กับลูกให้กับญาติพี่น้องและให้บให้กับบุคคลทั้งหลายที่พระองค์ไม่ทรงไม่รู้จักมีจำนวนมากเป็นแสนเป็นล้านที่ได้รับประโยชน์จากคำสอนของพระพุทธเจ้า จากการที่พระพุทธเจ้าได้สละทุกสิ่งทุกอย่างไปเราก็จะทําประโยชน์อย่างนั้นได้เหมือนกับพระพุทธเจ้าเมื่อเราเกิดความอยากที่จะไปบวชไปเลยไปบวชแล้วต้องเอาให้มันเอ า, เอาจริงเอาจังเหมือนกับพระพุทธเจ้าไปแล้วก็ไม่ไปทําอะไรนอกจากการไปทําใจให้สงบไปฆ่ากิเลสตัณหาให้มันหมดไปจากใจเท่านั้นอย่าไปทํางานอย่างอื่นอย่าไปสร้างวัดอย่าไปสร้างกุฏิ อย่าไปสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์อย่าไปทำผ้าป่ากระถิ่นอย่าพาญาติโยมไปอินโดอินเดียอย่าไปสั่งไปสอนใครถ้าตนเองยังส่องสอนตอนเองให้หลุดพ้นไม่ได้อย่าเพิ่งไปสั่งสอนผืนมันจะเสียเวลาจะหลงทางแล้วจะไปไม่ถึงฝั่งผู้ที่จะไปนี่ต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างภาระทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดนอกจากภาระ ที่จําเป็นในปัจจุบันเท่านั้นเช่นบิญทบาททาปัดกวาดลานวัดเช็ดถูกุฏิอะไรอย่างนี้เท่านั้นเองน อ, น, อนอกจากนั้นแล้วให้ทําแต่งานภาวนาเดินจงกรมนั่งสมาธิเจริญสติเพื่อให้เกิดสมาธิเมื่อเกิดสมาธิแล้วก็จะได้ใช้ปัญญาตัดกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจได้อ พอกิเลสตัณหาหมดไปจากใจแล้วเทนี้จะมาทําอะไรก็ได้จะมาสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างกุฏิสร้างวัดมาญาติโยมไปอินเดียสั่งสอนญาติโยมอะไรต่างๆทําไปได้หมดเลยไม่เป็นปัญหาแล้วเพราะหลุดพ้นแล้วมีความสุขที่ถาวรแล้วเทนี้ทําอะไรก็ทําเพื่อผู้อื่นแล้วไม่ได้ทําเพื่อตนเองแล้วสอนก็สอนได้อย่างเต็มที่ แล้วก็สอนได้ถูกต้องแม่นยําด้วยดีกว่าตอนที่ยังไม่ได้หลุดพ้นสอนก็สอนแบบงงูปลาปลาสอนแบบผิดผิดถูกถูกสอนไปแล้วก็ไม่มีใครบรรลุ ก, กันสักคนเพราะคุณสอนเองก็ยังไม่ได้บรรลุแล้วจะไปสอนให้คนอื่นบรรลุได้อย่างไรนี่แหละคือเรื่องของทางาศาสนาเบื้องต้นต้องทําประโยชน์ให้กับตนเองก่อนต้องสอนให้ตนเองให้หลุดพ้นก่อน เมื่อหลุดพ้นแล้วค่อยไปสอนผู้อื่นอีกต่อหนึ่งดังนั้นถ้าเราเกิดมีศรัทธามีความอยากที่จะสละทรัพสมบัติเข้าของเงินทองทำทานให้หมดไปเพื่อที่จะได้ไปบวชไปเป็นนักบวชไปรักษาศีลของนักบวชไปภาวนานี้อย่าให้อะไรมายับยั้งเลยไม่มีอะไรควรจะยับยั้งเราได้เพราะไม่มีอะไรสำคัญเท่ากับการไปบวชไป ไปศึกษาไปปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายเมื่อเราหลุดพ้นแล้วเราจะกลับมาช่วยเหลือบุคคลที่เรารักเราเขารบได้มากกว่าที่ขณะที่เรายังไม่ได้ไปบวชตอนนี้เราช่วยบิดามารดาภรรยาสามีหรือลูกได้ก็เพียงทางร่างกายหาเงินหาทองให้เขามีข้าวกินมีบ้านอยู่มียารักษาโรคภัยไข้เจ็บมีเครื่องนุ่งห่มเท่านั้นเอง แต่เราไม่สามารถที่จะช่วยดับความทุกข์ที่มีอยู่ภายในใจของเขาได้เลยแต่ถ้าเราไปบวชไปปฏิบัติไปหลุดพ้นแล้วเราจะกลับมาช่วยให้เขาหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายภายในใจของเขาได้ความทุกข์ภายในใจนี้มันร้ายกาจยิ่งกว่าความทุกข์ทางร่างกายความทุกข์ทางร่างกายมีด้วยกันทุกคนแต่ไม่เป็นปัญหาถ้าสําหรับผู้ที่ไม่มีความทุกข์ทางใจ ร่างกายจะเป็นอะไรนี้จะไม่เป็นปัญหาเลยแต่ถ้าร่างถ้าใจไม่มีความสุขทางใจเลยไม่มีมีแต่ความทุกข์ทางใจเวลามีความทุกข์ทางร่างกายก็ยิ่งจะทำให้เกิดความทุกข์เพิ่มมากขึ้นไปอีกดังนั้นตอนนี้อย่าไปกังวลกับเรื่องของผู้อื่นขอให้กังวลกับเรื่องของเรากิดว่าเราหลุดพ้นหรื อ, อยังแลาชาตินี้ก็เป็นชาติที่มีโอกาสที่ดีที่สุดเลย ก็มีทางมีผู้สอนถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาเราจะไม่มีไม่รู้จักทางจะไม่มีผู้นําทางเราก็จะไม่มีวันที่จะหลุดพ้นได้ด้วยตนเองยกเว้นถ้าเรามีบารมีในระดับของพระพุทธเจ้าเท่านั้นจึงจะสามารถหลุดพ้นค้นหาทางได้ด้วยตนเองถ้าไม่อยู่ในระดับนั้นแล้วก็จะไม่มีวันที่จะหลุดพ้นได้เลยถ้าไม่ได้มาเจอพระพุทธศาสนา ไม่ได้มาเจอเพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าดังนั้นชาตินี้จึงถือว่าเป็นชาติที่น่าจะต้องตัดสินใจกันเพราะมีทางมีผู้นําทางแล้วถ้าจะไปก็ต้องไปตอนนี้ไปชาตินี้ถ้าไปชาติอื่นก็ไม่มีวันที่จะไปสําเร็จได้ถ้าไม่มีผู้นําทางไม่มีพระพุทธศาสนาเช่นในยุคที่พระพุทธเจ้าทรงบําเพ็ญนี้ไม่มีพระพุทธศาสนาพวกนักบวชทั้งหลายนี้ไม่สามารถหลุดพ้นได้ด้วยตนเองเลย แต่พอมีพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นมาพวกนักบวชที่ติดอยู่นี้สามารถหลุดพ้นกันได้ไปอย่างรวดเร็วเพราะมีผู้นําทางมีทางมีพระพุทธศาสนามีพระพุทธเจ้าดังนั้นถ้าเกิดศรัทธาและอยากจะบวชอยากจะบําเพ็ญเพื่อให้หลุดพ้นไม่มีเวลาใดที่จะดีเท่ากับวันนี้ให้ตัดสินใจได้เลยไปได้เลยรับรองได้ว่าจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน ถ้ารอไปอาจจะโอกาสอาจจะหมดได้อาจจะหัวใจวายในวันพวกนี้ก็ได้ลดอาจจะความตายไปก็ได้ไม่มีใครรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตดังนั้นขอให้พวกเราพยายามสร้างความอยากที่จะทำบุญให้ทานอยากจะรักษาศีลอยากจะภาวนานี้ให้เกิดขึ้นมาอย่างรวดเร็วเถิดเพื่อที่เราจะได้ไป ปฏิบัติธรรมเพื่อที่เราจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์และได้พบกับความสุขที่แท้จริงต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้ผ่อนยะถาวาริวาาปุราปุริปุเรนติสาคารังเอวเมวะอิโตทินางเปตานางอุ ป, ปกาปติ อิทิตังปฏติต um ังตุมหังพิปะเมวะสมิจจโตสาเพปเรนโตซังกปาจันโทปนะระโสยะธามณิโชติระโสยะาสัพพิต so ิโยวิวัชจานุสรรพโรโควินาศตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะ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 ถ้าหลังจากที่เลิกกันแล้วก็ขออนุ ญ, ญาตเลิกตอบปัญหาถ้าไม่มีใครถามก็จะให้พิธีกรถามปัญหาที่ถามมาทางบ้านก่อนคำถามจากทางบ้านจากคุณโสพิตาพี่สะพ้ยกำลังตั้งคันบูตรหกเดือนหมอบอกว่าเด็กหัวใจผิดปกติอาจเสียชีวิตระหว่างคลอดถ้ารอดแล้วต้องผ่าตัดอีกสามครั้งก่อนสี่ขวบ และตายก่อน20ปีระหว่างนี้ต้องเข้าโรงพยาบาลทุกเดือนอหรือมากกว่านั้นหมอแนะนำให้ทำแท้งพี่ชายกำลังตัดสินใจว่าจะทำเพราะสงสารลูกไม่อยากให้ลูกทรมานถึงต้องตกนรกตกนรกก็ยอมเพื่อลูกเช่นนี้ผลกรรมจะเป็นอย่างไรคะก็อย่างที่เขาบอกเนยตกนรกนะข้าเขาก็ตกนรกคํคำถามจากคุณศิริพร ขณะที่เดินจงกรมเห็นเงาของใบไม้ที่ทอดลงบนพื้นในช่วงนั้นเองปรากฏว่าเกิดความคิดที่เป็นอัตโนมัติว่าโลกนี้ไม่มีความเที่ยงแท้มีทุกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเช่นนี้เองหาตัวตนหาสาระไม่ได้และตอนหน้าตอนขณะนั้นจิตใจกราบพระพุทธเจ้าเห็นคุณท่านสุดใจ ก้มลงกราบพระพุทธเจ้าเดียวนั้นเลยค่ะและตัวความคิดยังคิดเห็นว่าเช่นนี้เองบิดามารดาถึงมีคุณต่อบุตรเพราะท่านให้กายเพื่อทำกรรมสืบต่อไปทุกอย่างปรากฏขึ้นอย่างไม่ตั้งใจอีกครั้งหนึ่งคือเพียงขับกายก็ปรากฏความคิดโอ้โลกนี้วุ่นวายไม่เที่ยงจริงๆหาสาระไม่ได้เห็นกายตนเองเป็นโครงกระดูกทั้งที่ลืมตา ความคิดห้ามไม่ได้เขาทำงานอัตโนมัติจริงๆเลยค่ะถามว่าปรากฏการณ์นี้คืออะไรคะเกิดจะชวนให้เราไปบวชนและเราควรจะวางจิตอย่างไรเมื่อเกิดภาวะเช่นนี้คะก็ปล่อยวางทุกอย่างเมื่อมันไม่เป็นสาระจะไปยึดไปถือมันทำไมและอาการปิติมาเกิดร่วมกับอาการเช่นนี้ไหมคะก็ไม่แน่มีบ้างไม่มีบ้างไม่สาคัญ สำคัญคือเราตัดตันหาความอยากต่างๆได้หรือไม่คำถามจากคุณเบคอนผมผลกรรมของการฆ่าตัวตายเป็นเช่นไรครับก็ต้องไปฆ่าตัวตายซ้ำแล้วซ้ำอีกเพราะมันจะเป็นนิสัยและนานเท่าใดจะหมดกรรมครับเมื่อเราหยุดฆ่าตัวตายและผู้ที่ฆ่าตัวตายสามารถรับเอาบุญกุศลที่เราอุทิศให้ได้ไหมครับ ตอนที่ไปรับผลของกรรมนี้รับไม่ได้พ่อไปอยู่ในนรกคําถามจากคุณศิริมาร ก, การปฏิบัติกรรมฐานที่ได้ฌานนั้นเกิดขึ้นกับทุกคนที่ปฏิบัติหรือเปล่าคะถ้าปฏิบัติถูกก็ได้ผลทุกคนคําว่าฌานมีความหมายว่าอย่างไรคะคือความนิ่งสงบของใจและเราทราบได้อย่างไรว่าเราได้ฌานหรือไม่คะทําดู คำถามจากคุณสายทิพย์การเดินจงกรมกับการนั่งสมาธิเพื่อให้มีสติควรกำหนดจิตอย่างไรคะควรกำหนดจิตอยู่กับเรื่องเดียวเช่นคำบาลีคำพุทโธพุทโธไปหรือการเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายหรือจะใช้กรรมฐานอย่างอื่นก็ได้เช่นการระลึกถึงความตายหรือระลึกถึงทำอย่างอื่นก็ได้สวดมนต์ไปก็ได้ และนั่งสมาธิแล้วเห็นแสงสว่างจ้าเหมือนไฟฉายส่องมาที่หน้าเราควรจะทำจิตอย่างไรคะไม่ควรสนใจควรจะภาวนาต่อไปถ้าบริกรรมพุทโธอยู่ก็บริกรรมต่อไปคำถามจากคุณเสกสรรผมสงสัยเกี่ยวกับการพิจารณาอายะตนะหกทวานหกครับ เช่นเวลาพิจารณาอาหารที่มาสัมผัสลิ้นเราพิจารณาแค่ว่าอาหารสัมผัสลิ้นไม่ต้องไปปรุงแต่งมันว่าเผ็ดร้อนเปรี้ยวหวานมันเค็มอร่อยไม่อร่อยชอบไม่ชอบหรือปล่อยให้มันปรุงแต่งให้เต็มที่ครับก็ไม่ควรจะให้มันปรุงแต่งควรจะสักแต่ว่าสัมผัสมันรับรู้มันแล้วก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอย่าไปยินดียินร้ายกับมันคาถามจากคุณนวลสี เวลาเวลามีพระมาเดินแจกสองบุญต่างๆแล้วลูกไม่รับแล้วบอกท่านว่าลูกไปทำบุญที่วัดแล้วลูกจะบาปไหมคะเพราะจิตใจไม่ชอบทำบุญแบบนี้ค่ะมันก็มีหลายวิธีวิธีที่นิ่มนวลก็รับไว้กระจบแล้วก็โยนทิ้งไปทีหลังก็ได้คำถามจากคุณปุ๊กข้อแรก ปกติหนูจะเดินจงกรมนั่งสมาธิเป็นประจำได้เว้นปฏิบัติไปสามถึงสี่เดือนพอกลับมาปฏิบตัตินั่งภาวนากำหนดลมหายใจได้ไม่เท่าไหร่ก็หลับพยายามดึงกลับมาได้ไม่เท่าไหร่ก็หลับอีกนั่งฟังธรรมก็หลับค่ะทั้งที่ไม่ได้ง่วงจะแก้ไขยอย่างไรดีคะถ้าอิ่มหนึ่มันก็ควรจะลดปริมาณการรับประทานอาหารให้น้อยลงไป เช่นไม่รับประทานอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วถ้ายังหลับอยู่ก็ลองรับประทานมื้อเดียวถ้ารับประทานมื้อเดียวยังหลับก็รับประทานวัดสองวนันค่อยรับประทานสักหนึ่งครั้งลดปริมาณการรับประทานอาหารลงไปเรื่อยข้อสองหนูเคยไปปฏิบัติธรรมแบบเปิดโลกแก้กรรมให้ท่องพุโทโธและสูดลมหายใจแรงๆและโยกตัวแรงๆหลังจากนั้นจะร้องไห้หัวลาะ หรือพูดในสิ่งที่ไม่คิดว่าจะพูดอาการอย่างนี้เกิดจากอะไรคะอา ก, การเป็นคนบ้าไม่มีสติก็สพอกลับมาบ้านก็กลัวว่าจะมีอาการเหมือนตอนไปเปิดโลกเพราะก่อนไปเคยมีอาการแบบนี้ปรึกษาแม่ชีท่านว่าเป็นอาการเปิดโลกอย่าไปปฏิบัติเองจะเป็นบ้าเอาได้เลยกลัวในการจะตามลมหายใจเพราะเหตุ น, นี้ทาให้ไม่เกิดสมาธิได้ใช่ไหมคะ หนูควรมีหลักใจอย่างไรดีที่จะปฏิบัติโดยไม่มีอาการแปลกๆเกิดขึ้นอีกคะถ้ามีสติให้รู้อยู่กับลมหายใจเขาออกนี้จะไม่มีอาการอะไรถ้ามีอาการนี้เป็นการปรุงแต่งของใจตามคำแนะนำของผู้สอนถ้าถ้าทำตามที่พระุทธเจ้าทรงสั่งสอนจะไม่มีการบ้าปรากฏออกมาแต่จะมีแต่ทำให้ใจสงบลงไป การดูลมหายใจก็ต้องไม่บังคับลมไม่ใช่หายให้หายใจแรงๆอย่างนี้เป็นการบังคับลมอันนี้ไม่ใช่วิธีนั่งเพื่อดูลมด้วยการดูลมหายใจการดูลมหายใจนี้ปล่อยให้ร่างกายหายใจไปตามปกติเพียงแต่ใช้ลมหายใจนี้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจไม่ให้ลอยไปกับความคิดปรุงแต่งต่างๆเน้นเวลานั่งนี้ต้องไม่มีความคิดปรุงแต่ง ถ้าไม่มีความคิดปุงแต่งอาการบ้าบอคอแตกต่างๆจะไม่ปรากฏขึ้นมาคำถามจากคุณภาสกรนในขณะปฏิบัติบางครั้งได้มีนิมิตเป็นภาพของอวัยวะภายในโผล่มาให้เห็นเป็นระยะทำให้จิตใจสงบ รู้สึกสลดสังเวชกับความจริงที่ทำแสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วร่างกายของเราไม่ได้จีรังย่างยืนเนื้อหนังที่ห่อหุ้มให้ดูว่าเป็นหญิงเป็นชายสุดท้ายพอตายไปก็เหลือแต่กองกระดูกเท่านั้นเองผมเจอภาพนิมิตลักษณะนี้หลายครั้งบางครั้งภาพก็ดูชัดบางครั้งภาพก็โมวๆถามว่าทำไมภาพนิมิตที่เห็นจึงแตกต่างกัน ความชัดของภาพที่แตกต่างกันเกิดจากกำลังการพิจารณากำลังของศีลกำลังของสมาธิใช่ไหมครับมันก็เกิดจากปัจจัยหลายอย่างสติเออยสมาธิเออยก็กควรจะพยายามเจริญให้มากๆขึ้นไปแล้วต่อไปมันจะชัดขึ้นซึ่งเราสามารถเจริญได้นอกเวลาที่เรานั่งสมาธิ เราออกจากสมาธิมาเราก็เอานิมิตนั้นมาจเจริญต่อได้มองเห็นร่างกายของไข่ก็พยายามนึกถึงอวัยวะอวัยวะภายในของเขาถ้าพยายามทําอยู่เรื่อยๆภาพมันก็จะชัดขึ้นมากขึ้นไปตามลําดับคําถามจากคุณมาวินผมปฏิบัติมาได้สักระยะจนพบความเปลี่ยนแปลงของจิตคือความโปรง่งความเบื่อหน่ายทางโลกเป็นบ่อยครั้งเลย เกิดความกระวนกระวายใจที่อยากจะละวางอยากปลีกเวกเพื่อที่จะได้มีเวลาทำสมาธิได้มากขึ้นแต่ว่าติดที่อายุเพียงสามสิบมีภาระหลายอย่างที่ต้องดูแลเช่นทางบ้านหรือเลี้ยงชีพตัวเองสภ<ม>าวะจิตแบบนี้จะแก้ไขยอย่างไรครับก็ไปฟังเทศที่เราเพิ่งเทศให้ฟังในวันนี้ก็แล้วกันและเมื่อไหร่ที่เหมาะที่เราจะปลีกวิเวกได้ครับ ก็ฟังเทศกันนี้เสร็จแล้วก็ไปได้เลยคำถามจากคุณมันอยู่ที่ใจตอนนี้ลูกทำงานเป็นหมอนวดนวดไปด้วยและบริกรรมพุโทโธไปด้วยทุกวันและจะดูจิตของตัวเองไปด้วยตลอดเวลาเห็นอารมณ์ดีใจเสียใจเป็นกลางๆพอใจไม่พอใจไม่ไปติดกับอารมณ์เหล่านั้นดูจิตตัวเองตลอด การที่เราเห็นจิตในจิตเห็นสภาวะอารมณ์เกิดดำในจิตล่อยมากเมื่อเรารู้ตัวก็ดับอารมณ์โลภโกรธหลงมันเป็นไฟร้อนมากถ้าเราเผลอตัวมันจะออกมาร้อนมากแล้วค่อยเย็นลงเมื่อเรารู้ว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราเข้าดูที่จิตด้วยปัญญาเพ่งดูที่จิตอยู่ตลอดอย่างนี้เขาเรียกว่าปัญญาหรือผู้รู้คะ ไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรละ่ะขอให้ทําให้ใจสงบไม่มีความทุกข์วุ่นวายใจก็ใช้ได้และนี่เป็นหนทางแห่งการพ้นทุกข์ถูกทางไหมคะถ้าดับถ้าไม่มีความทุกข์ก็เป็นหนทางถ้าเกิดความทุกข์ขึ้นมาก็ไม่ใช่ทางคําถามจากคุณแอลหนูได้ลงแข่งวิ่งมินิมาลาทอนมาห้าครั้งรู้สึกชอบเพราะเหมือนได้เดินทุดงไกลๆขณะวิ่งก็ไม่ยุง่งไม่คุยกับใคร จะภาวนาพุโทโธควบจังหวะที่ลมหายใจเข้าออกแล้วเกิดความรู้ว่าถ้าเราไม่ภาวนาเราจะไปถึงเส้นชัยชนะเพราะจิตใจจะวกแวกกับสิ่งรอบตัวและเวทนาหลายรูปแบบที่เข้ามาลบกวนขณะวิ่งการที่เราจะไปพระนิพพานเราต้องภาวนาทั้งวันทั้งคืนเปรียบดังตอนนี้เรากาลังลอยคออยู่กลางมหาสมุทรเห็นเกาะก่อนหนึ่งชื่อว่าพระนิพพาน ถ้าเราไปขึ้นก่อนได้เราก็จะหายเหนื่อยสบายตัวตลอดการจะไหว้ไปถึงต้องภาวนาตลอดสายไม่เช่นนั้นจะเอาชนะขึ้นลมไม่ได้ยิ่งถ้าหาเงินทองลาบยศมากเท่าไหร่ก็เหมือนจะไหวออกทะเลห่างเกาพระนิพานไปเรื่อยๆถามว่าความรู้ที่ปรากฏนี้ถือว่าเป็นกระแสรพระนิพานไหมคะหรือว่าเป็นแค่ปัญญาทั่วๆไปคะ ก็เป็นมรรคเป็นทางที่จะนำไปสู่พานิพานต่อไปคำถามจากคุณสาธิดาตอนนี้โยมเบื่อเบอื่ออยากอยากไม่อยากออกไปไหนไม่อยากเจอใครอยากฟังธรรมะและนั่งสมาธิเบือ่อเบือ่อไม่อยากออกไปรับกิเลส ข, ของใครพอไปเจอคนพูดคุยเรื่องไรสาระกลับมามันกวนจิตเวลานั่งสมาธิโยมเป็นอะไรคะหลวงพ่อ อยากจะเข้าข้างในไม่อยากจะเข้าข้างนอกคําถามจากคุณอาร์ตข้อแรกสังขารภายนอกคือสิ่งต่างๆที่มารวมกันอย่างเช่นประตูเป็นชื่อเรียกของไม้บวกกรอนบวกน็อตขันและส่วนประกอบอื่นๆรวมกันเรียกว่าประตูถ้าคิดอย่างนี้ถูกต้องไหมครับแล้วถ้าผมมองแค่ส่วนเดียวของส่วนประกอบของประตู คือจะมองไม่เห็นเป็นประตูแต่ถ้ามองน็อตขันว่าเป็นเหล็กมารวมกันก็จะไม่เห็นเป็นน็อตขันประตูถ้าความคิดนี้ถูกต้องขออุบายในการนํามาเปรียบเทียบเคียงในการมองร่างกายด้วยครับก็เหมือนกันร่างกายก็เป็นที่รวมของดินน้ํำลมไฟดินน้ําที่เราเอาเข้ามาในร่างกายพอเข้ามาแล้วมันก็มาแปลงเป็นอาการ32สองเช่นลมหายใจนี่ก็เรียกว่าธาตุลม น้ำที่เราดื่มก็ธาตุน้ำอาหารก็มีธาตุดินข้าวนี่ก็มาจากดินไฟก็คือความร้อนที่เกิดจากการผสมของธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุดินมันก็เกิดความร้อนขึ้นมาในร่างกายนี่คือธาตุทั้งสี่ที่มารวมตัวกันทำให้เกิดมีอาการสาสองแล้วพอร่างกายนี้หยุดทำงาน ธาตุทั้งสี่นี้ก็แยกทางกันกันกบคืนสู่ที่เดิมธาตุน้ำก็ไหลออกไปทางหนึ่งธาตุลมก็ไปทางหนึ่งธาตุไฟก็ไปทางหนึ่งธาตุดินก็ไปอีกทางหนึ่งข้อสองธาตุสี่ดินน้ำลมไฟคำว่าดินไม่ได้หมายถึงดินที่สมมติเขาเรียกกันใช่ไหมครับคือถ้าแปลความหมายก็หมายถึงของที่แข็งทั้งหลายเรียกว่าธาตุดิน ของที่เหลวก็เรียกว่าธาตุน้ำของที่เป็นอ า, อากาศก็เรียกว่าธาตุลมของที่มีความร้อนก็เรียกว่าธาตุไฟข้อสบางทีที่บริกรรมพุโทโธไปขณะใช้ชีวิตประจำวันบางทีก็เผลอบ้างบางทีก็บริกรรมบ้างถ้ารู้ตัวแต่ผมจะพยายามบังคับเรื่อยๆและบางทีก็รู้สึกว่าเราบริกรรมอยู่แล้วก็คิดไปด้วย เหมือนกับทั้งคิดทั้งบริกรรมไปพร้อมๆกันอย่างนี้คือสติยังอ่อนใช่ไหมครับควรจะบริกรรมไปอย่างเดียวอย่าไปคิดอะไรก็สี่จริงๆแล้วความคิดปรุงแต่งสังขารมันหยุดได้หรือไม่ได้ครับสังขารเราก็ไปควบคุมบังคับมันได้บางครัง้งบางเวลาแต่ไม่สามารถที่จะควบคุมมันได้ตลอดเวลาแต่เราสามารถที่จะ เหมือนกับน้ำที่เราสามารถทำร่องน้ำให้มันไหลไปตามทางที่เราต้องการให้มันไปได้เช่นสังขารความคิดของเราตอนนี้มันจะคิดไปในทางกิเลสตัณหาถ้าเรามาขุดร่องน้ำให้มันไหลไปอีกทางหนึ่งมันก็จะไหลไปอีกทางหนึ่งถ้าเราสอนให้มันคิดไปในทางตายรักมันก็จะไปทางตายรักมันก็จะเป็นธรรมมันก็จะพาไปสู่ความหลุดพ้นจากความทุกข์ถ้าปล่อยให้มันไหลไปทางกิเลสตัณหา มันก็จะพาเราไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดคำถามจากคุณนิชาภาโยมเก็บวัตถุมงคลใส่กล่องไว้รวมๆกันเกือบแสนบาทโยมคิดจะนำไปให้วัดแห่งหนึ่งที่กำลังหาเงินสร้างโบสถ์ ไปให้ญาติโยมประมูลเพื่อได้เงินเข้าวัดแต่อีกใจก็คิดว่าจะเป็นการมอมเมาให้คนห่างไกลพระธรรมยึดผิดนับถือผิดผิดแบบที่โยมเคยเป็นมาก่อนใจนึงอยากทิ้งใจนึงอยากเอาไปทำประโยชน์ต่อพระอาจารย์ว่าโยมขนไปทิ้งขยะหรือจะถวายวัดให้ไปหาเงินสร้างโบสถ์อันไหนดีกว่ากันคะเอาไปฝังดินดีกว่า ทิ้มันขังกระยมันก็เป็นการไม่สมควรเพราะเป็นสิ่งที่คนเขาเคารพนับถือเอาไปให้คนอื่นก็ไปส่งเสริมความความรุ่มหลงให้กับเขาทางที่ดีก็เอาไปฝังดินมีใครอยากจะถามไหมอ่ะมาทางนี้ทาง ขอโ อ, อ, อกาสถามพระอาจารย์นะครับคือพอดีวันนี้เป็นเป็นครั้งแรกที่ผมมาที่นี่คือก่อนหน้านี้ผมได้ฟังธรรมพระอาจารย์มาบ้างเมื่อประมาณปลายปีแล้วก็ฟังติดรถมาเรื่อยๆนะครับคําถามของผมมีอยู่ว่าปกติจิตจะอยู่คู่กับกายของตัวเองนะครับพระอาจารย์ที่ที่ผมเข้าใจแต่ทีนี้บางครั้งผมเคยเห็นบางเหตุการณ์ที่ที่เขา เหมือนว่ามีการจิตของใครบางคนไปเข้าอีกคนหนึ่งเหมือนแบบเป็นการเขาเรียกว่าเข้าสิงเขา้าเขาทรงซึ่งความเห็นของผมผมคิดว่ามันมันไม่น่าจะเป็นจริงมันไม่น่าจะใช่เลยขอเรียนถามพระอาจารย์ในใความเห็นครับผมมันมันจิตของใครของมันไม่มีใครเข้าไปสิงได้นอกจากตัวของจิตเองคิดปรุงแต่งขึ้นมาเองหลอกตัวเองว่าเป็นนั่นเป็นนี่ว่ามีสิ่งนั่นสิ่งนี้เข้ามา เวลาไม่มีสติแล้วจิตบางทีก็คลั่งใครไปได้คนที่ก็ไม่รู้เขาก็ไปแปลว่ามีปีศาจมีดวงวิญญาณของผู้อื่นเข้ามาสถิตแต่ความจริงมันเป็นการไม่มีสติของจิตดวงนั้นมันก็เลยทําให้เกิดอาการบา้าคลั่งขึ้นมาได้เพราะว่าบางครั้งผมจะเห็นว่าเหมือนบางคนเป็นผู้ชายแต่เสียงเป็นผู้หญิงซึ่งในในความเข้าใจของผมผมคิดว่าคนคนนั้น อาจจะเหมือนปรุงแต่งอะไรขึ้นมาผมคิดว่ามันไม่เป็นอย่างอย่างอย่างที่เขาจะสื่อบอกคนอื่นว่ามีคนมาสิงเขานะครับผมคือจิตของเราในอดีตนี่เป็นอะไรมาเยอะแยะเป็นหญิงเป็นชายเป็นกระลอกเป็นกระแตเป็นช้างเป็นม้าเป็นวัวเป็นควายมันร้องภาษาได้หลายภาษาด้วยกันในวันดีคืนดีมันนึกอยากจะเป็นควายมันก็ร้องเป็นภาษาควายออกมาก็ได้ แต่ไม่มีจิตของกายมามาเข้าจิตของใครได้หรอกขออีกหนึ่งคำถามนะครับคือปกติตที่ผมศึกษามาบ้างคือผมมีความเข้าใจว่าคือที่เราได้มาเกิดแก่จบตายเนี่ยหัวใจหลักคือเรามีอวิชชานะครับแล้วทีนี้ถ้าเราได้เรียนรู้เมื่อสินสมาธิปัญญาถึงพร้อมเนี่ยก็จะถึงนิพพานคืนสู่ความว่างนะครับ ทีนี้คำถามของผมคือผมมีมีม yes. ีคำถามในใจอยู่หนึ่งคำถามว่าจิตที่นึงนิพนา์แล้วนะครับมีโอกาสที่จะเกิดคือเกิดมีอวิชชาหรือมีความปรุงแต่งสังขารขึ้นมาใหม่ได้ได้หรือไม่นะครับพระอาจารย์เป็นไปไม่ได้หรอกเมื่อคนที่เคยหลงติดอยู่ในกองไฟจะกลับวิ่งเข้าไปในกองไฟอีก การมาเวียนว่ายตายเกิดนี่ก็เหมือนกับการเข้าวิ่งยุ่นเข้าวิ่งเข้าไปในกองไฟนั่นเองคนที่ลืมตาเห็นว่าวิ่งผิดทางก็จะไม่วิ่งกลับเข้าไปในกองไฟอีกที่วิ่งเข้าไปเพราะหลับหูหลับตาวิ่งไปอาวิชานี้ก็คือการหลับหูหลับตาทําให้เห็นผิดเป็นชอบเห็นกองไฟว่าเป็นเป็นดอกบัวเห็นกองไฟคิดว่าเป็นเป็นกองสุขก็เลยวิ่งเข้าไป ลาบยศจะรเซิญสุขที่เราเห็นว่าเป็นสุขนี่มันเป็นทุกข์แต่เรามองไม่เห็นกันพอเรามีปัญญาแล้วเราก็ไม่นะดูพระพุทธเจ้าไม่กลับไปเป็นไม่กลับไปเป็นพระราชาโอรสล้ไม่กลับไปหาภรรยาไม่กลับไปเป็นสามีไปอะไรแล้วเพราะมันเป็นความทุกข์ทั้งนั้นคนที่มีอวิชชาจะมองไม่เห็นความทุกข์ในสิ่งเหล่านี้คนที่มีปัญญาจะเห็นไม่เห็นแล้วจะกลับไปหาความทุกข์กันทําไม ไม่มีวันเป็นไปได้ครับครับขอบพระคุณกับมีใครอยากจะถามยังไมวันนี้เวลาเยอะนะหลวงพ่อครับเมื่อกี้ที่พี่เขาถามเรื่องจิตมันแทรกกันไม่ได้ะคะ่ะแล้วคนที่เป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ร่างทรงนั้นร่างทรงนี่นะคะ่ะจริงๆเป็นยังไงะะ่ะก็อย่างที่บอกก็เขาคิดของเขาไปเองเวลาจิตเข้าสู่ความสงบนิดหน่อยจิตมันก็แสดง อภิญญาความรู้ความสามารถต่างๆได้เ ล, ลึกชาติได้เคยเป็นสิงโตก็เอาสิงโตมาคํารามได้ออกเสียงเหมือนสิงโตได้แต่นั้นเองไม่มีอะไรคนเราเคยเป็นอะไรมามากมายคุณไม่เชื่อลองไปนั่งเนั่งสมาธิแบบนั้นดูเลยพอจิตสงบแล้วนึกถึงช้า ง, ถ, งถึงสิงโตถึงชาติก่อนๆที่เคยเป็นมาเดี๋ยวมันก็โผล่มาได้เรียกมันออกมาได้ ยังเชื่ออยู่เหรอคะดูสงสัยค่ะเห็นปัจจุบันยังมีพวกอย่างนี้อ่ะค่ะมีอยู่เยอะมีอยู่เยอะมันเครื่องมือหากินเงไง้มีอะไรอีกไหมถ้าไม่มีก็จะให้กลับบ้านแล้วนะอะย่างนั้นก็ขอยุติการประชุมไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านจงนําเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินจพิจารณาไปปฏิบัติ